ปฏิทานคาถาคุณธรมยังปฏิทานคาถาโยพนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปเปคเรโพธิคเรต้หิงต้หิง เอพยาดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระสุูโที่เรือนโพในที่นั้นนั้นตาธรรมตาเนณพวันตุปโฉตตาสถทิ้งกะโรนเตทวิหารมันเดเล เทพพาดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทําซึ่งความสวัสดีความเจริญในมูลทนวิหารนี้เทราจมัชานาวากาจพิขโวสารามิกาธานปติอุปาสกา พระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเทระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่เป็นผู้บวชใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาที่บอดีก็ดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีข้ามาจะเทศนิขามาจะอิสรา สัปปานพุตตาสุขิตาภวันตุเตชนทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวตามประเทศก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระเป็นใหญ่ก็ดีขอชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีสุขเถิด ชาลาผู้ชาเยปิจันดาสัมภวาสังเสทชาตาท่าวุปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นชาลาผูชากรรมเนิดก็ดีที่เป็นอันดชากรรมเนิดก็ดีที่เป็นสังเสทชากรรมเนิดก็ดีที่เป็นโอปปาติกากรรมเนิดก็ดี นิยานิกังธรรมมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขัสกรวณทุสังขยังสัต์ทั้งหลายทาั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากสังสารทุกู์ จงกะระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดถ้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจัปปุคลาขอทมของสัตตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสร้างโคโหตุส ม, มะโคา อาทายาจัจจิตายาจัจาขอพระสงค์จงมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันในอันธรรมซึ่งประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอมรมเฮระคตุสัตธรรมโมสัพเปิธรรมมาริโนขอพระธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลาย แล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติซึ่งทรรมแม้ทั้งปวงวูดทิงสัมปาปุนยามะทมเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วปาสันาฮุนตุสะเภปิด ปานิโนพุทธศาสเนขอสัพพสัต ท, ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้เลื่องใสในพระพุทธศาสนาสัมมาตารังประเวชันโตกาเลเทโวปวสสตุขอฝนทั้งหลายจงหลั่งลงตกต้องตามฤดูกาล พุทธิภาวยาาสัติตานังสามิทังเนตุมนเมธนิงขอฝนจงนำความสำเร็จมาสู่พื้นปัฐพีเพื่อความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังมารดาและดีดายอมรักษาบุตร ที่เกิดในตนเป็นนิชันไดเอวังธรรมเมนราชาโนประชังรักขันตุสาพธาขอพระราชาจงปกครองประชาชนโดยชอบธรรมในการทุกเมื่อชันนั้นตลอดการเทอน